วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัตรบัรบตทรทงโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเพาด้วยคุณเพาเกาะรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถ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 อบรมของพระท่านสแสดงแลวรักษาจิตใจอยู่เป็นประจำในยาบททั้งสี่สัญญาก็ทานไปส่วนจิตก็เรียกทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตน อยู่โดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตพภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรมกายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจของนายยังคามมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี่แม่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็น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 ไม่สามารถที่จะคลองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความเงินหนา ม, มันคงเนื้อทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากรูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้าฟ้าต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละ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 คือใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายหากว่าใจมีเหตุมีผลมีอัดมีทำอยู่ภายในตัวเองแล้วนี่จะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลควาการกระทําอะไรไม่ค่อยผิดพลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายหากว่าจะเกิดโรคภยัยไข้เจ็บขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเทือนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคเค่นิดหนึ่งขึ้นมา การอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่านสอนไว้ว่าพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่ ง, งเห็นจริงประเสด็จยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสน า, าตัดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคํานี้ร่วนแร่ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มี ผิดพลาดคาดเคลื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี่พูดไม่มีเหตุมิบไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเตขตกว้างแคบลึกตื้นอยากละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะทําฟุ้งไปได้หมดวันนั่งคำกว่าเป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใคร่ควรตามคําพูดคําจาทั้งของเขาทั้งเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นความสุขสบายทำด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมีเพราะเหตุไรเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนำมาพิิพจารณาถือเอาเป็นประโยชน์แต่คำพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสั์ความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระทย เมื่อแสดงออกมาแจ่สัตว์โลกออก็แสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งโยวเมตตาอย่างถึงใจการสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นประโยคหรือเป็นภาระอันหนักมากสําหรับศ า, าสด า, าที่เป็นครูของโลกทั้งสนี้ไม่เพียงเป็นครูของมนุษย์เท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาดังที่มีในหลักธรรมว่าสัตถาเทวมนุษย์สารนังพุทโธภควาหนั คือเป็นทั้งครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสัตว์ทั่วๆไปในรับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนําสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรๆที่สัมผัสน้ำพันมาคอยติดตะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้น เนื่องจากความโง่เขลาอยู่ภายใน จ, ใจิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ด้วยเจ้าท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้จึงเน้นนำพระโอวาทที่ถูกต้องนีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้เบิกบธ์ ถึงมีมุดพระนิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสสรูที่แรกก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเจียวหาแบ่งสันตันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้เช่นั้นกับภาระใครในโลกนี้จะสู้ภ า, าระของพระพุทธเจ้าได้เรายังทําการทํางานเพียงเล็กน้อยกับบน่นอุบอิบอุบิดวันยังค่าคืนยังนุ่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบน่นพระพุทธเจ้าทําประโยชน์ให้โลกมากมายตั้งสโลกธาตุต่ า, าง แล้วทำไมถึงไม่หนักขนาดสามโลกนะมันมีจํานวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเกี่ยวจิตเป็นภาระแนะนําสั่งสอนแม้ในสุดขณะที่จะป ร, ะรินิพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภธาปริิพาชคเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอนุณจิดกันเอาไว้กวลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จะป ร, ะรินิพาน แม้เช่นั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตายังต้องรับสั่งให้สุภธาปริพาทุกเข้ามาแล้วประธานโอวาทย่อๆแล้วค่อยออกไปประกอบความเพียรก็อสมมักสมหมายเวลาได้รับพระโอวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพียรเนตรัสได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นพระหรหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปริพาณ มีพระสุภะปริภาชกเป็นพระสาวกอรหันองค์สุดท้ายนั่นแต่พูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีล้ ล, ละแม้จะสุดขณะที่จะปริิพานก็ยังต้องประทานพระโอาวาทที่เรียกว่ายอดคําสอนว่าหันาดาในภิเกเวอมันตยามีโวพิเกเวพยาธมาวยาธมาสร้างขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธะนุก่อนพิสูจนทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่พิกษุทั้งนั้น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 เท่าผสมฌานแล้วก็บุติียฌานตัติยฌานเจตุรฌานเป็นลําดับจนกระทั่งถึงอากาสารัาญจาชนะที่เรียกว่ารูปฌานสัญญาชนะเนสัญญานาสัญญาชนะกิจกิจัญญาชนะเนสัญญาสัญญาชนะเป็นรูปฌานสี่แล้วก็เก้าเข้าสุญญิโรธจะมัตที่เรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธนั่นไปดับเวทานาสัญญาเวทานาอยู่ที่นั้นแล้วถอยกลับออกมา เรืเ่อยๆจกนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้า9ผ่านรูปรานาญ4คือจตุตัรฌานแล้วไม่ไม่เสด็จฌานไหนต่ออีกป ร, ริยพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนจา ร, รคภาระของพระพุทธเจ้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทาหน้าที่ป ร, ริิพานตั้งแต่วันตรัสรูมาจกนกระทั่งถึงวัน ทำหน้าที่จะพรนิพพานในวรารสุดท้านั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจห้ามีพูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจา้ามากมายเพียงไรพุทธกิจห้าคืออะไรชายญเทศธรรมเทศน์หนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็แสดงทำให้แก่ประชาชนนี่าชามหาสัตว์เป็นต้นปบอะไรปาโดเซพิกุโอวาดัง ตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประธานอุวาสแกพระสงฆนะ์อัธราเตเถวปัญหากลางปัญหากลางตอนหกทุ่มล่วงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาแนละประธานอุวาสแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปเบวิโลกาลนังพอเก้าทุ่มปชิมยามทรงเล่งยานดูสัตวโลกว่าใครที่จะมี อุปนิสัยสามารถจะบรรลุทมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตปุญแห่งอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายๆ่า ย, ายจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาเรียนยานดูสัตว์โรกก็คือพุทธกิจพุทธกิจก็หมายถึงงานของพระพุทธเจ้าปัจุเซปินปาตันจะ พอตอนเชากับเสด็จบินธมัมาเสวยนี่เป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงเรื่องภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากอย่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าราบถึงสโลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทําหน้าที่การงานเพียงเล็ก น, น้อยเท่านั้นก็เป็นถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ อ, ออัดเพื่อทําเพื่อจะนําความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างก็ถือว่า ว่าเป็นของยากของลำบากไปเสียมีน้ำซ้ำมาต้นอำนาจวาสนาโน้ยไม่สมควรจะ่ทำทั้งหลายเนี่ยให้กิเลสมันหลออไปทั้งวันทั้งคืนเวลาจะสั่งสมกิเลสไม่เห็นคิดถึงอำนาจวาสนาบ้างเลยเมื่อได้กิเลสเข้ามาเต็มหัวใจแล้วเกิดความโดุดร้อนุนารแล้วก็บนให้กิเลสเนี่ยบ่นจะเป็นบ่นจะฝ่ายผลเหตุไม่บน่นไม่แก้มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ง้นเพื่อความเหมาะสมไม่ให้เสียการเสียเวลาของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ผ่านมานาน กี่ปีแล้วตั้งแต่วันตกคลอดจากท้องแม่มาจนระทั่งปันนีเราได้กี่ปีกี่เดือนเราผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลำ บ, บากมานานเพียงไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ผลมากน้อยเพียงไรเราได้บวกได้ลบบ้างแล้วหรือยังผลที่ปรากฏเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วเสื่อมสูญหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะฆ่าต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเรา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 ในขณะที่ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรๆได้ทั้งภายนอกภายในบรรดาจิตการที่จะเกิดผลเก<ล>ิดประโยชน์แก่ตนก็ควรจะดื่มด่นขนความตั้งแต่บัดนี้จะพาะอย่างยิ่งคือจิตป่าภาวนาซึ่งเป็นอาหารสําคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องยาวยาจิตใจให้ปราศจากความพุ่งซ่านวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในบางต้นของการอบรมจิตใจนี้ก็ท่านให้มีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกํากับรักษาใจ งันจะสายแสบไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดือดร้อนอยู่เสม อ, อจึงสอนให้ภาวนาเช่นผููที่จะภาวนาพุโทโธหรือธรรมโอหรือสังโขหรือจะกําหนดอนาปานสติโดยตามด้วยพุโทโธเช่นพูดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจดิบนิสัยที่ชอบในธรรมบทใ ด, ดแต่การกําหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกําหนด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 ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทํางานคือกําหนดลมหายใจในขณะ น, นั้นเนี่ยเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลําดับจิตก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยจิตก็จะยังเข้าสู่ความสงบโดยลําดับลําดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่ายากในขณะที่เรากําหนดเบื้องตน้นก็จะค่อยกลายไปสู่ความละเอียดเป็นลําดับลํำดับด บ, บางครั้งจนถึงกับลม หายไปหมดในความรู้สึกนี่เพราะความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขนาดนี้ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นก็มีนี่ เ, นเรื่องของการภาวนาในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศจรรย์ถ้าลมลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยกลายก็ดับไปพร้อมกันคือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี่ดับหายไปไหน กายก็นั่งอยู่เช่นนี้นี่แหละแต่ความรู้สึกนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับกายหรือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นเอกเทศอยู่โดยลำพังตนเองนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตละเอียดจิตเป็นตัวของตัวในในขั้นนี้นี่เป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิยงวุ่นวายการเวลาสถานที่ไม่มีในขณะที่จิตทำความสงบเพราะจิตไม่สำคัญมั่นหมายกับการกับสถานที่วเวลาเวลาที่ไหนเลยมีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้นนี่เป็นความสุขที่เกิด ขึ้นจากการภาวนาหรือเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็าได้ผู้กําหนดพุดโทโธก็มีธรรมเน็ตก็มีในลักษณะเดียวกันถ้ากําหนดพุดโทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ใหม้มีความรู้สึกกกับคําว่าพุโทโธพุโทโธโดยลำหนักไม่ต้องไปคาดหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาจะเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มาเนี่ยเป็นบ้านนะเนี่ยคนพุทธิเขาพูดอย่างนั้นก็มี แต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆแบบนั้นนหล อ, อกคนคนก็พอที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกันได้ง่ายถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อกำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าศาสอนสัตวโลกไม่ได้สอนสัตว โ, โลกให้เป็นบ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นาศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดาบ้ามาสอนสัตวโลกจะสอนเพื่อเป็นบ้าได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปรัด ปฏิวัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นบ้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านั้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพอกิจสรงไปรู้เห็นอะไรก็ผิดก็เพลินไปตามโน่นเสียจนกระทั่งลืมคําบริกรรมของตนนี้มีทางผิดได้นี่แหละคนที่ว่าเป็นบ้าเป็นบอเพราะผิดจากหลักของการภาวนาผิดจากหลักของศาสนาแล้วก็เอาศาสนาประดมีติโทษหรือติเตือนว่าภาวนา ทำให้คนเป็นบ้าเนี่เป็นอย่างนั้นหนึ่เมือ่อเรากําหนดอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกําหนดคําว่าพุโทโธพุโทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดวาดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพานเป็นอย่างนั้นหรือเทวดาเป็นอย่างนี้อินพรมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยด้วยญาณของท่านในหลักธรรมชาติของท่านที่รู้แต่เราไปเห็นไปเห็นด้วยการวาดภาพด้วยคาดคะเนดาเอา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 ที่จะทําผลให้ปรากฏขึ้นในขณะภาวนานอกจากงานคือคําบริกรรมที่เรากําลังภาวนาอยู่ด้วยความมีสตินี่เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักรับรองแห่งการภาวนาถ้าจิตกับคําบริกรรมได้สัมผัสสัมพันธ์หรือหรือจิตของเราได้สัมพันธ์อยู่กับลมแล้วจะไม่มีอะไรเรื่องที่เขาพูดโกหกกันมาด้วยความไม่เคยภาวนานั้นมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆแบบนั้นแหละมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นดังที่อธิบายมานี้ตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้ ให้เราเริ่มภาวนาอย่างที่ว่านี้ผู้ที่ภาวนาอนาปานสตินั้นมีความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ตะกี้นี้ไม่ได้อธิบายให้ถึงเหตุถึงผลของลมนั้นเพื่อขณะที่เราภาวนาไปถึงขั้นลมละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิต ด, ดูโ ด, ดยลำดับๆแล้วปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จะเกิดความมิตกขขึ้นมาภายในจิต ซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันยังได้แก้กลุ่นี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความมิตกขึ้นม า, าเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเลหรือนั่นนี่แหละหลอกตัวเองพออย่างนั้นเ็เรียกว่ากลัวตายเมื่อมตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่ได้เลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรา โปดว่าหายไปในขณะที่เราภาวนานั้นก็ให้ทําความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตามเมื่อจิตยังคลองล่างอยู่แล้วจะไม่ตายนะเป็นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราไม่เห็ น, าหนกาหนดกฎเกณฑ์มันเราก็ยังไม่ตายนี่ทีนี้เราภาวนานเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปโดยความรู้สึกในการภาวนานของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลับนั้นแต่จะกลับไปกลัว นี่แสดงว่าไม่ทันกลมายาของกิเลสเพื่อให้ทันกลมายาอันนี้จึงต้องทําความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองล่างอยู่ไม่ตายเพียงที่นี่จิตก็ทะลุถึงควาท่านละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยนี่ชื่อว่าภาวนาเข้าสู่ควาละเอียดของอนาัปปานสติบางรายก็ทรงตัวอยู่เป็นชัวงงช่วโมงชั่วโมงก็มีบางรายก็ไม่นานแล้วแต่ กำลังของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับอันเป็นส่วนผลในขณะนั้นได้แก่จิตที่มีความละเอียดรู้อยู่โดยลําพังตนเองเท่านั้นคือรู้อยู่โดยเฉพาะในขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดทั้งสิ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกขตาจิตถ้าจิตไม่คิดเกี่ยวข้องอารมณ์อะไรเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกขตาแปลว่าถึงความเป็นหนึ่งหงก็คือ1ความรู้นั้นเท่านั้นไม่มี2กับอารมณ์ไม่มี2กับคำบริกรรมพาวนาใดใทั้งหมด เพราะในขณะนั้นได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลำพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกขตตาจิตนีการภาวนาเป็นอย่างนี้อย่างผู้ปฏิบัติให้ปร ะ, ประจักษ์ภายในจิตใจโดยลำดับถ้าลงได้ทำตามหลักธรรมวญาตแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะบึงได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดาเนินถูกต้องแล้วทีนี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไร พอจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สดุปจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้เพราะความสุขภายในจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอาจารย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประจําตลอดทุกวันนี้ไม่งั้นศาสนาจูนหายเนนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้พูดุว่ารสนิยมก็สู้โลกไม่ได้ ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใดๆสาระสําคัญก็สู้โลกไม่ได้นศาสนาล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจแต่นี้เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสาโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเราแล้วภายในร่างกายจิตังเราซึ่งไม่เคยแปลกไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบนั้นเลยแต่ขณะที่ภาวนาจิตได้มีความสงบขึ้นมานพอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียร ความอุตสาห์พยายามหรือความขยันความมีเวล่ำเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั้นเป็นประจักษ์พยานแล้ว เ, เรื่องเวล่ำเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่ควรจะทำภาวนาทําความสงบใจหรือทําความเพียรทางนาั้นจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่ในขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้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 โอปัญยโกรนน้องเข้ามาสู่ตัวของเราแกมาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแกมาเดินดับแปลสภาพมาเรื่อยๆนี่เดี่ยวอันนี้จังความทุกขก์ติดแนบมาตั้งแต่วันเกิดขนาดที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเองของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายใช่ตั้งแต่อยู่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดเนี่ยมาตั้งแต่น้นจนมาทั้งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอันนีจังทุกขังตาที่ไหนไปอีก กองอนนีจังทุกอณูตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็หน่วยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุขันแปรเป็นอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอณูตาเราจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรในธาตุใ น, ในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่ า, ท า, ทานั้นท่านเรียกว่าธาตุสขันก็เรียกว่าขันห้าคือรูปได้แก่ร่างกายทั้งเรานี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมหรือหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆน เป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรงุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้ง5นี้ท่านเรียกว่าขันห้าในกันห้านี้มันมันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรามีหมายถึงนุ่งวิปัสสนาและวที่นจะแยกให้หาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั่นว่าเราอันนี้เป็นเราเพราะอะไร มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความเสีย อ, อกเสีใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในตัวเองโรคจิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองไม่หมายถึงว่าโรคจิตจกนกระทั่งถึงเป็นบ้านั่นมันหนักมากเกินไปมันก็เป็นบ้าไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็นอุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆ น, น, นึกเป็นระยะระยะระยะจนกร ะ, ะกทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมด ภายในขันห้าซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเราอันนี้เป็นของเราจิตกับคันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเนเมื่อเวลาปัญญาได้แยกแย ก, แยกพิจพิจารณานด้วยอํานาจของความฉเฉลียวฉลาดที่เคยฝึกหัดปัญญามาจนชำนิชำนานสามารถแยกออกได้รูปก็ทราบว่ารูปเวืนาสัญญาสังขารมิยานแต่ละอย่างทราบว่าเป็นสิ่งนั้นๆๆ้แต่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นนันแยกกันแล้วโดยลำหนับๆจนกระทั่งสามารถแยกจิตกับกิเลสอาสวะซึ่งถังจมอยู่ภายในจิตนั่นได้ออก โดยมีอะไรเหลือภายในจิตนั่นแหลท่านเรียกว่าพุทโธแท้ผลของการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุทโธแท้เช่นเดียวกับพุทโธของพระพุทธเจ้าแต่มันหมายถึงพุทโธคของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุทโธของเราเทียบเทียงกันได้ความบริสุทธิ์นี่เสมอกันกับพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยกับสาวกัวิสัยนี่ผิดกันความสามารถอ่านรู้ด้วยการแนะนําสั่งสอนความเฉลียวฉลาดนี้พระเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็ เต็มตามภูมิของเราสําหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันทันหวันนัดทิเสืเยวปาไปโยกนับตั้งแต่สาวกองตั้งแต่ผู้ทีเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองคสุดท้ายบรรดาบรรดาที่เป็นพรหันแล้วความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำปิดด้วยการภาวนาทําไปโดยลําดับลำดั บ, บแก้เกลื่อนไปโดยลาดับจนกระทั่งแก้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ล้วน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 เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงานตามหลักธรรมที่ท่านสอนผลจะไม่ได้รับอย่างไรคำว่าทำก็คือสวกขาจะทำตับได้ชอบแล้วไม่ใช่โมโหขะธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่ได้รับผลมรรคผลนิพพานที่ว่ามันสูญสูญไปไหนมันสูญจากบุคคลผู้ไม่สนใจต่ อ, อการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ข้างพุทธการก็มรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสำหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกัน มัชชิมาคือศูนย์กลางต่อความจริงอยู่เสมอศูนย์กลางเพื่อแก้กิเลสเหมาะสมกับการแก้กิเลสอยู่ตลอดไปไม่ว่ากิเลสตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอำนาจของมัชชิมาปฏิบัติ า, า น, นี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสของสัตว์โลกทั้นเดียกว่ามัชชิมาและมัชชิมาสมัยทุกวันนี้กับมัชชิมาตั้งแต่ทั้งพุตรการมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็ประเภทเดียวกันมัชชิมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกัน เมื่อเรานำเอาขึ้นปฏิบัติกรรมจากกิเลส ท, ทําไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในงามตามหลักมัชฌิมนั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสรุปความลงแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับผู้ไปปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสําหรับผู้ปฏิบตัติมีมากมีน้อยตามกําลังแห่งความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสุขาธรรมตรับไว้ชอบนิยานิกระทธรรมนำผู้ขึ้นปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มี อันใดที่จะเหมือจากทำรรห้อยเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้ทิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจจึงเป็นที่ลงใจในการมาพื้นปฏิบัติ ธ, ธรรมและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าศาสต า, ศาซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโคดความโกงความหลอกความลองต้มตุ๋นอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นํามาพูดเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเรื่องธรรมต้องพูดกลงไปกลงมา ผู้ตามเหตุตามผลพูดตามความสัจความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสัจคกับจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่ล้ำใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นในอวสานอย่างการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำปฏิบัตพิจรารณาหากว่าธรรมที่แสดงปณิมีหนาบามากน้อยเพียงไรเป็นที่แสดงหูแสดงใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมป่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอาละเพียงเท่านี้